คือผมขอโอกาสจากคณะครูบาอาจารย์และเพื่อนสาธรรมิกตลอดลูกนีนทุกทา่าน้วกาเจริญสุขสัสดีญาติโยมพุทธมามากับผู้เขนธรรมทั้งหลายนังฟังธรรมดาในโอกาสนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงฤดูฝน เพื่อจะงวดใหม่ๆแล้วก็คณะครูอาจารย์ก็ได้ระดมเอาลูกศิษย์ลูกหามาฟัง ร, รมบรรยายมาฝึกมาฝนมาอบรมธรรมะที่อสมแปลแสงเทียนก็รู้สึกว่าเป็นป่าสินาสนะก็ยังอย่างนี่แหละยังมาเรียบรอ ด, ดีเพราะฉะนั้นการออกสัมผสัสกับธรรมชาติก็เื่อเป็นเกลือกับธรรมชาติอย่างว่า เ, เพราะว่าในธรรมชาติที่ มันก็ยังมีอะไรดีๆอยู่แต่เพราะอย่างยิ่งรุ้พอเห็นว่าถ้ า, ากุลบุตรลูกหลานของเราทั้งหมดเนี่ยเข้าใจธรรมะก็รู้สึกว่าคุ้มกำลังของประเทศนี้คงจะแน่นหนามั่นคงเพราะว่าอนาคตของบ้านเมืองนี่ฝากไว้กับอนุชนผู้เกิดสุดท้ายภายหลัง หากกุลบุตลูกหลานที่จะเป็นผู้นำในวันต่อไปในข่าวต่อไปในโอกาสต่อไปไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ศึกษาธรรมะให้มันละเอียดทีท่วนเพราะว่าโลกของเรานี่การที่มีชีวิตอยู่มันมีเรื่องอะไรหลายๆายอย่าง <c oughs> สลับซับซ้อนเพราะว่าคนนี่ <c oughs> เป็นสัตว์ประเสริฐไม่เหมือนสัตว์ดาาิบชัน ออยู่กันเป็นหมู่เป็นฝูงชอบพัฒนาคำว่าพัฒนานี่ก็ตรงกันข้ามกับหายนะไม่เหมือนสัตว์อืน่นการพัฒนาของมนุษย์ก็ไม่ได้พัฒนาเฉพาะตัวใครตัวมันครอบครัวของไขรของมันทำเพื่อความเจริญของ <c oughs> เพื่อนฝูงของประเทศชาติบ้านเมืองไปเลยอันนี้มันเป็น ลักษณะของคนมีธรรมะและนักการที่คณะครูบาอาจารย์เรียกมาฝึกอบรมนี่ก็อยากจะให้เข้าใจธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยตัวของเราก็เป็นธรรมะอยู่หรออย่างอาจารย์สุริยาท่านก็พูว่าอย่างโครงสร้างใหญ่ให่อย่างศาสนวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรมก็เป็นธรรมะหมด แต่ว่าธรรมะนี่มันมากเกินไปจนเราทั้งหลายชะ ง, งนสงสัยไม่รู้จะเอาที่ไหนม่นแต่ธรรมะเนี่ยมันก็มีความดีความชั่วมีทำดาทำขาวบดสวดที่สวดผ่านไปมุตตะจี้เนี่ยก็บอกว่าทมย่อมนำไปนรกทมย่อมนำให้สู่สุคติอ๋อคล้ายๆกับว่าธรรมมันมีทำดาทำขาวหรือมีบาปกระบุญ แต่ไม่พูดถึงกุศลในบทสวดที่ว่าทำย่อม น, ำ, อมนำไปนรกทำย่อมนำให้ถึงสุคตินี้ไม่พูดถึงกุศลซึ่งกุศลคำนี้อาจารย์สุริยาก็พูดตั้งแต่วันซื่อหลวงพอยังจำได้เพราะว่าความดีกับกุศลนี่จะเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่านี่เราก็คงจ ะ, ะสงสัยอยู่นั่นแหละ เราะว่าความดีกับกุศลนี่มันมันกินความกว้างต่างกันกุศลมันมันกว้างคุมไปหมดแต่ความดีมันแคบแคบความดีนี่มันยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าความดีนี่ยังให้โทษยังเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในั่นการฝึกธรรมะการฝึกกรรมฐานนี่มันจะไปสัมผัสกับตัวนั้นหรือเปล่า ในเมื่อเรามาสร้างตัวเนี่ยเรามาฝึกกรรมฐานคณะครูบาอาจารย์นำพวกหนูหนูลูกหลานมาฝึกกรรมฐานกรรมฐานของพวกเราก็ดูไม่สวยไม่งามไม่เหมือนกับพวกฝึกกรรมฐานแบบนั่งทำสมาธิฝึกสมถะกำหนดลมหายใจของพวกเรานี่มีการกำหนดการเคลื่อนไหวคือไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งนิ่งนิ่งการนั่งนิ่งนิ่งมันจะเกิดอันตราย อันตรายหรืออุปสรรคนี้มันเข้ามาเล่นงานง่ายๆในขณะที่ใครก็ตามนั่งนิ่งๆนี่เดี๋ยวความง่วงมันมาเล่นงานในขณะที่ง่วงปัญญามันไม่เกิดปัญญาเกิดเนี่ยมันจะเกิดที่จิตของเรามันสว่างแจ่มใสไม่สลืมสลือมีสติสัมปฤดีญนั่นแหละถ้าง่วงอยู่ปัญญามันก็ไม่เกิดมันหดหูแม้แต่อ่านหนังสือเหมือนกันนั่นแหละขาดกระท่อนกระเทียนไม่ในเรื่อง บางทีตอนนั่งสือหลุดมือหล่นออกจากมือเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านไปถึงไหนลืมตาขึ้นอ่านต่อเรื่องมันก็ขาดกระทนกระแทน่นในขณะที่ลืมตาขึ้นเกิดเป็นเรื่องเป็นเถาขึ้นมาในขณะที่เพิ่มไม่จะหลับไปเรื่องก็ขาดหายเลือนจางไปอยเนี่ยอันนี้เหมือนกันปัญญามันจะต้องอาศัยความชัดเจนจะต้องไม่ง่วงจะต้องมีสติสัมปชัญญะ ในนั้นการสร้างจังหวะนี่ก็เป็นการปลูกประสาทเขย่าถ่าดรูปให้มันตื่นตัวอยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติอยู่กับกายเอากายเป็นฐานตั้งนักปฏิบัติใหม่ๆจะต้องฝึกจากหยาบไปหาละเอียดเพราะว่าคนมันมีอยู่สองส่วนกายกับใจหรือรูป ก, กับนามเพราะฉะนั้นเราจะเอาส่วนละเอียดมาพูดกันเลยมันก็ไม่ไหวก็ให้เราได้ชะลอเตรียมตัว เอาไว้ศึกษาจากยากไปหาละเอียดศึกษาไปศึกษามาด้วยการเดินจุ ก, กมด้วยการสร้างจังหวะอการเดินจุกง ก, ก, กับการสร้างจังหวะเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับร่างหรือประวิงน่วงเหนียวอท่านอุปมาขีดของเราเหมือนกันกันกบลิงนี่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะของนุหนูลูกหลานที่เป็นนักศึกษานักเรียนของไปจากผสมเหมือนกันจิตใจของใครก็เหมือนกันนั่นแหละ เหมือนเหมือนลิงพวกแวกพระศาสดาศาสด า, า, า, าเองก็ตรัสเรียนสุภาษิตก็คงจะพูดถึงจิตใจของพระองค์นั่นแหละท่านไม่เอาพเอาคนอื่นมาประรบเพราะว่าพระองค์ส่วนมากก็เอาพระองค์เป็นกฎเปเกณฑ์เลยท่านตรัสว่าพันธานางจะปารารถตามคิดนี้ยอมได้ล้นกวัดแปลงทุลักทุนีวาละยังข่มยากห้ามยากนี่แสดงว่ามันไม่อยู่นิ่งนิ่งมันไม่อยู่เฉยจิตใจของเราดังนั้น ถ้าเรามาฝึกกรรมฐานนี่ถ้าให้นั่งอยู่นี่นิ่งจิดใจมันจะวิ่งออกไปที่อื่นเราไม่มีวิธีควบคุมมันแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะให้มันทิ้งฐานเหมือนเด็กเนี่ยมันคานคานต้วนเตี้ยมต้วนเตี้ยมเดี๋ยวมันจะหลนเดี๋ยวมันจะตกบ้านผู้ใหญ่ก็ขี้เกียจตามมันคานบ่อยเพราะว่าเด็กกำลังสุกสนต้องหาเครื่องเล่นมาให้มันเล่น ตุกตาสวยๆอะไรสวยๆมาให้มาเล่นมันได้เครื่องเล่นมันก็ไม่ค่อยคานที่นี่ผู้ที่คอยดูแลควบคุมก็สะดวกสบายผู้ใหญ่อันนี้เหมือนกันนั่นแหละเราก็เอากายนี่แหละไม่เอาวัตถุนอกเนื้อนอกตัวมาเป็นเครื่องล่อถึงวิปัสสนาไปว่าลู่แจ้งเออไม่นับเอาการเคลื่อนการไหวเข้าเป็นวิปัสสนาด้วยเพราะว่าการเคลื่อนการไหวไม่ใช่วิปัสสนา การเดินจงกรมไม่ใช่วิปัสนาการยกไม้ยกมือไม่ใช่วิปัสนาแต่ ว, ว่ายังยังเป็นองค์ประกอบที่ดีนะการยกมายกมือคือเป็นกลายให้จิตของเราอยู่กับที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่วิ่งว่อนไม่ผุพุกผ่านไม่ฟุ้งซ่านที่มันวิ่งว่อนผุผ่านหรือฟุ้งซ่านมันมันก็ไปตามทางเก่าๆที่มันเคยผ่านมาแล้ว วิ่งไปสู่อดีตไหลไปสู่อดีตไหลไปสู่นกนต่างๆเนี่ยกิจมันมีปกติมันมีปกติอย่างนั้นแหละทุกท่านเป็นอย่างนั้นนหละมันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเอากายเป็นฐานยกมือขึ้นเอามือลงยกมือไปเอามือมาให้มันอยู่กันเนื่อ ก, กับตัว <c oughs> ถ้าเราขยันสร้างจังหวะจ่ว่าจิจใจของเราลอยออกทางอื่นแฉลบออกคิดถึงอดีตคิดถึงบานถึงจองคิดถึง หน้าใครต่อใครที่ยังไม่มาไม่กระทั่งหน้าพ่อหน้าแม่คิดออกไปโน่นไปไกลเมื่อไกลตัวก็แสดงว่ามันไม่อยู่กระฐานมันทิ้งฐานเ อ, อการกระทําของเราก็เรียกว่าทําแบบหุ่นยนต์แบบอะไรละ่ะไม่มีสติมาประกอบทําไปเฉยๆเขาเรียกว่ากระตตากรรมทําสักว่าทําทําแบบคิตไม่ใส่ใจไม่ตามนั่นแหละคือยกมือขึ้นก็ยกมือด้วยความขยันจริง ใครมองเห็นก็เห็นอยู่นี่นแหละว่าขยันสร้างเจ้าว่าขยันยกมายกมือเดี๋ยวว่าจิต ใ, ใจลอยไปทางอื่นนี่ก็ผิดหลักเหมือนกันนะเพราะว่าเรามองเห็นกันนี่เห็นเฉพาะรูปประทรมอย่างว่าขีความสามารถของตามันมีเท่านั้นจริงๆแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่มองเห็นใจพวกหนูหนูหนลูกหลานว่าใครเดียนี่คิดไปไหนไกลเมื่อไกลตัวเท่าไหร่ออกไปแลกกี่ทางช่องเล็กช่องน้อย มันมีเยอะแยะที่จะให้อีกของเรามันวิ่งมันเฉลี่ยออกไปดังนั้นกายของเรานี่ก็ให้มีความหมายในการหน่วงเหนี่ยวปะวิ่งจุดลากดึงเอาไว้การคิดใหญ่มันออกไปไกลให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวให้มันรู้สึกตัวว่างั้นคือสร้างจังหวะนี่ยกมืออย่าไปยกไดย้ยกเปล่าๆนี่คือยกเฉยๆแค่ว่าจิตใจวิ่งว่อนไปทางอื่นนี่เขาเรียกว่ายกเฉยๆถ้ายกก็ให้มันติดสอยห้อยตามกันอย่างดี ยกมือขึ้นก็ให้รู้ว่ามือมันขึ้นวางมือลงก็ให้รู้ว่าวางมือลงรู้สึกอยู่ทุกขณะที่มือขึ้นมือลงสัมผัสกับเขายกมือขึ้นแตะแขนมือขึ้นยกมือขึ้นอย่างนี้เอามาสู่เนื้อสู่ตัวก็ให้มันรู้สึกเนี่ยความความที่จิตมันวิ่งว่อนมันมีเครื่องเล่นมันก็เลยไม่หนีจากเนื้อจากตัวกานอยู่กับเนื้อกับตัวนาน มันก็อาจจะอยู่เพื่อศึกษาไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่เพื่อศึกษาเรียนรู้ในเมื่อใครก็ตามเข้าใจเรื่องรูปรูรู้จักรูปเพราะว่าส่วนประกอบของคนมันมีสองส่วนคือรูปกับนามเรารู้แล้วล่ะว่ารูปอ๋อนี่คือรูปงานก็ไม่ใช่ว่าหมดไปงานที่จะศึกษาต่ออีกมีเยอะแยะเพราะว่ารูปประทัเนี่ยมันมีชุดใหญ่ๆของมัน ห้าชุดเราเรียกมันว่าขันห้ามันเนื่องโดยกันหมดติดพืชมาเลยร่างกายของเรานั่งอยู่นี่ถ้ามีร่างกายแล้วจะไม่ให้มีเวทนามันไม่ได้เวทนานี่เราสวดประกอบว่าอาการกายนี่ยานี่ไปต้นสัญญานี่เราจําได้ว่าความเจ็บความปวดมันมาถึงเมื่อไร่เรารู้สึกว่ามันทนทรมานมันลําบากเหลือกเกินมันเป็นลักษณะของอความทุกข์แปลว่าทนได้ยากทุกแปลว่าทนได้ยาก เราจะทนอยู่ที่ท่านี้ต่อไปอีกไม่ได้เจ็บปวดเลื้อยเกินเหนื่อยเลือยเกินเมื่อยล้าเลือกเกินอ่อนเปลี่ยเพรียงเลื้อยเกินเป็นอิบชา ย, ยที่ขาแขนตีนมือมันทนต่อไปไม่ได้มันจะต้องหาท่าหาทีเปลี่ยนอิ บ, บุตเสียมใหม่หาท่าที่มันจะสะดวกสบายกว่านี้อีกเปลี่ยนใหม่มันแก้ไขมันปวดเปื้องมันเข้าไปบำบัดบรรเทาอยู่อย่างนี้เรลยมาดังนั้นเราจะเข้าใจว่าเมื่อรู้จากรูปเราหมดหน้าที่แล้วไม่ใช่อย่างนั้น เราจะต้องศึกษาต่อเพราะว่าการศึกษาใ น, นกลไกของชุดใหญ่ของธรรมะเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาเพื่อรู้ในการปฏิบัติรู้เพื่อปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวส่วนไหนในเมื่อธรรมะคือรือน่างของเราทั้งชายทั้งหญิงมีสองส่วนคือกายกับใจเนี่ยเราจะทิ้งส่วนกายหรือเอารักษาเอาเฉพาะส่วนใจใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เราจะเห็นว่าใจดีกว่ากายเราระวังเอาแต่ใจ มันก็ไม่ได้คนที่ผูกคอตายเนี่ยอย่างอาจารย์ท่านพูดถึงคนที่ฆ่าตนฆ่าตัวแต่ว่าอุดมการณ์ของเขาอยากจะอนุรักษ์แต่มันไม่เป็นไปตามปรารถนาเขาถึงฆ่าตัวแต่เขาก็เป็นคนที่สําคัญของประเทศเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในฝ่ายธรรมของเราเนี่ยไม่ยกให้เหมือนกันนะ เพราะว่าลูกกับน้ำเขามาคู่กันแล้วเราจะให้เขาภากจากกันโดยอความมืดบอดของเราอย่างนี้มันก็ไม่ไหวในฝ่ายธรรมของเราก็ไม่ไม่ยกย่อมเหมือนกันนะคนที่ขาดตัวตายเพราะว่าลูกกับน้ำนี่มันไปด้วยกันแล้วมาด้วยกันแล้วเขาก็ต้องรักษาให้มันดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อธรรมะเนี่ยพระบุติจัทธุท ป, ปะองค์เคารุปธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกําลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นด้วยเออนี่เราก็เห็นอยู่ ว่าคารุธรรมคารุต่อส่วนไหนล่ะธรรมมันมีสองส่วนในเมื่อทางนอกที่เราว่ามาโครงสร้างของศาสนาบอกว่าอืาศาสนวัตถุศาสนอพิธีาศาสนาบุคคลศาสนาธรรมวัตถุต่างๆก็เป็นรูปธรรมแก่ว่าเป็นรูปธรรมภายนอกมันกว้างมันกว้างเลอเกินเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกประอระทุนคารุธรรมคารุต่อรูปธรรม อย่าทําให้รูปมันสบักสบอมอย่าไปเบียดเบียนมันเขาก็ยังบอกว่าทำเราได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวแหล่ผู้อื่นสิโรนั้นไม่ใช่ธรรมมิใช่วินยัยนั่นนั่นท่านจึงให้เราศึกษาศึกษาธรรมะเอาไว้กว้างกว้างเนี่ยหลวงพ่อคิดเห็นเอ้คนท้องถิ่นคนเมืองเหนือจนกระทั่งประเทศขมิญหนังสือขอมเนี่ยหลวงพ่อมาคิดดูเวลาต้องการจะเขียนไว้เขียนวัดเนี่ยมันเขียนอย่างไร เขียนหนังสือล้านนาหนังสือทางแพร่ทางเหนือเรานี่หาวิธีเขียนหวัดเขียนไวไวมันก็ยังไม่มีวิธีเพราะฉะนั้นบรรพบุพรบุษของเราทําหนังสือขึ้นเป็นคนที่ละเอียดไม่ต้องการให้คนทําอะไรฉาบไวแบบโจงเขียงให้ละเอียดทีทดียวเพราะฉะนั้นกิตกรรมต่างๆเอมันจึงมีเรื่องสวยๆงามๆ ม, มากเพราะว่าคนทางนี่เขา อละเอียดเราไปดูประเทศอื่นหนังสือขยุกขยิกข ย, ขยุกขยิกหนังสือแขกเนี่ยหนังสือแขกนี่ี่ <Yeah. S 1> ประเทศของเขาสิ่งก่อสร้างต่างๆท้าวราวัตถุที่เป็นโบราณโบราณสวยงามของเขานี่มันมันจะมีไหมมันสอดถึงทางกิดทางใจของเจ้าของประเทศด้วยหรือเปล่านี่ก็คิดดูเหมือนกันนะหนังสือเนี่ย บางทีหนังสือพวกฮินดีพวกแขกนี่เขียนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมาเขียนตัวอักษรย้ายไปเป็นแถวแล้วขีดพืชต่อกันไปหมดเลยทับหัวไปเล ย, ยนี่คือมันมีเครื่องมุงขีดเป็นแถวเลยเอาบรรทัดขีดไปเลยไม่ใช่ค่าผ่านไปบางทีเต็มแถวเต็มบรรทัดบางทีก็เกือบจะข้อบรรทัดนู่นเลยอ๋ลอลักษณะชนชาติ อแขกประเภทนี่ก็มาดูบางทีของดีๆเกิดในศาสนาเขาศาสนาเขาเนี่ยพยายามกินศาสนาอื่นไปหมดก็ยังมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นศาสนาหลายๆศาสนาเกิดในประเทศอแขกเนี่ยแถวฮินดูฮินดีเนี่ยมันตัวหนังสือก็มีลักษณะปกคลุมเป็นพอเขียนเสร็จพอเขียนเสร็จเขีย ด, ด้วยบรรทัดกลววไปบางทีเกือบจะเป็นบรรทัด กวมไปติดกันเป็นพืชไปเลยอย่างนี้พี่ทุนหลวงพ่อว่าเขาเลยเอาสาระจากาศาสนาไม่ไม่ได้เหมือนชาวพุทธเราเนี่ยมีาศาสนาพุทธบางทีเราก็ยังยังฉงนอยู่เลยว่าธรรมะในาศาสนาพุทธนี่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งมันดูอไกลยอยู่ยังฉงนยังสงสัยอยู่จนชาวพุทธเราหันไปพึ่งลหลายทางเพราะว่า คนเมืองเหนือก็มาดูชื่อบ้านชื่อเมืองก็อยู่ด้วนแต่คนอยู่ในเวียงในวงังเท่านั้นเวียงทอ ง, อ เ, วงออเวียงอะไรเวียงป่าเป่าเวียงอะไรต่อเวียงอะไรมีเยอะแยะมีแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นคนเมืองเหนือส่วนมากเป็นคนเจ้าเมืองนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นลูกหลานของเจ้าเมืองเพราะว่าคนส่วนมากอยู่ในเวียงวงัง มาวันนั้นไปไปเล่นเมืองน่านไปท่าขาอำเภอท่า ผ, า, า, า, ผาตั้งอะไรับก็อ่านพวกเวียงเวียง น, น, น, น, น, นี่เวียงนี่เหมือนกันนะส่วนมากคนที่มีฐานะดีก็อาสมิมานะก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องอาสมิมานะเนี่ย มันมีกันทุกผู้ทุกคนลักษณะที่เราพูดเรื่องอุปทานเหมือนกันแ่ะอาจจะมีมานะแล้วทีเนี้ย อ, อยากจะทวนถึงคำพูดของอาจารย์สุรยิยาว่าธรรมะของเรานี่ความดีกับกุศลนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าทุกคนเราก็คงจะ ท่านก็แย้มแย้มให้ดูแล้วแหละว่ากุศลมันกว้างจริงๆกุศลไม่ไม่เป็นพิเป็นภัยนะกุศลมันเป็นความฉลาดส่วนความดีเนี่ยเมื่อกี้ก็ยกขึ้นมาสือใช่ไหมอาธรรมย่อมนําไปนรกธรรมย่อมนําให้ถึงสุคติธรรมนี่คือความดีอาธรรมนี่คือความชั่วแต่ว่าธรรมนี่จะแปลว่ากุศลเลยไม่ได้นะธรรมเนี่ยแปลว่าความดีอย่างนี้หรือแปลว่าบุญอย่างนี้ก็คงจะได้ อกุศลนี่แปลว่าบาปนี่ก็ได้ธรรมนี่แปลว่าสวรรค์ก็ได้อกุศลแปลว่านารกก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความดีกับความชั่วนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าธรรมะที่เราฝึกเนี่ยก็อยากจะให้เกิดกุศลในเมื่อเราทุกท่านเนี่ยจิตใจมันฉลาดจนถึงเกิดกุศลนี่มันจะต้องระมัดระวงังกุศลนี่มันไม่ให้เสีย ความเป็นธรรมจะเบียดเบียนตนก็ไม่เอากุศลเนี่ยบางทีค่าๆกับตัวเองจะได้โอกาสเช่นเราเนี่ยหลวงพอ่อยังขี้เห็นคำโกงคำหนึ่งคงจะไม่ใช่นักปาาขี้ขึ้นหรอกเพราะว่าคนทางคนทางน้นนะทางอีสานเขาว่านำนมขึ้นให้รีบทักสาม า, าลักให้รีบทำไรเอ้อันนี้มันนักป่าสุกโ ป, ปกดีขี้ขึ้น หลวงพ่อเลยมาคิดเห็นว่าน้ำนี่บรรทัรุษของเราเขาเขาเขาแปลมานั้นเมื่อคนคนหนุ่มหนุ่มคนแน่นแ่นอย่างพวกลูกๆูกและหลานนี่กำลังเป็นที่รวบรวมของสิ่งดีๆน้ำเขาเรียกว่าน้ำพักน้ำแรงกำลังวางชาสติปัญญานะน้ำนี่ที่มีคำโคงเขียนบอกไว้น้ำใดไหลเออทนฝังทานขึ้นแต่พอประมาณตักได้รีบตกักยาเนิ่นนานมัวหลับลงนา ตักเมื่อหนุ่มเก็บไว้แก่ใช้เป็นสเสบียงก็หมายถึงกําลังวังชาสติปัญญาน้ําพักน้ําแรงหรือจิตใจที่เข้มแข็งบึกบืนของเราเนี่ยในขณะที่เรายังหนุ่มยังน้อ ย, เ, ยเราเอาประโยชน์จากมันให้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสําเร็จไป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเราในเมื่อเราเองยังไม่เข้าใจธรรมะเรากําลังเพลินกับโลกใหม่อยู่ทำไมถึงว่าโลกใหม่เพราะว่าคนหนุ่มผู้เกิดสุดท้ายภายหลังลูกหลานเนี่ย ยังยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวง่ายยังใหม่กับโลกยังเห็นโลกเป็นของสีวิไลสวยงามอยู่เพลิดเพลินไปกับความสีวิไลสวยงามสีเสียงกิน่นรสยังเป็นสิ่งยอมใจของลูกลูกหลานไม่เหมือนคนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่นี่ถ้าเป็นผลไม้มันจะไวายไปแล้วมันจะหมดแล้วล่ะมันจะเน่าไปแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าคนเท่าคนแก่ไม่รู้จักงามไม่รู้จักสวยไม่หยุดไม่ไม่รู้จกักไพเราะรู้จักเหมือนกันแต่ว่า มันมันเต็มถูกความระมัดระวังเต็นไม่ไม่เหมือนลูกหลานลูกหลานเนี่ยเขาจึงมีศับหนึ่งเพิ่มเข้ามาว่าหนุ่มขนองคนแก่ไม่มีคําคุณคํานี้เข้ามานะแกข้นองนี่ไม่ค่อยมีหรอกเอาไปเพิ่มกับคนหนุ่มคนเนี่ยหนุ่มขนองเพราะฉะนั้นคนหนุ่มนี่จะต้องขนองขนองจิตขนองใจขนองปากขนองอ่าคอขนองกายขนองตีนมือเนี่ยมันมันต้องละมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในวัยขนอง การทำข้านองของเราเนี่ยทําอะไรมันมันเับไวตัดสินใจโผงผางออกไปเลยง่ายๆถ้ามันเป็นเป็นนใทางผิดพาคก็บอกว่าเอ อ, อะไรล่ะมันมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าตัดสินใจง่ายๆไม่ความจริงนักปฏิบัติของเราเนี่ยเขาไมา่ให้ด่วนตัดสินใจอะไรมาถึงเราเนี่ยเขาให้ดูเสียก่อนคือไม่ให้ทิ้งนั่นแหละ ไม่แต่บาปก็ไม่ให้ทิ้งไม่แต่บุญก็ไม่ให้ทิ้งแต่ว่าบาปกับบุญนี่จะต้องจัดการกับมันหมดเพราะว่าบาปก็มีโทษบุญก็มีโทษอย่างนี้เป็นต้นถ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมะถึงขั้นกุศลจริงๆนะกุศลมันเป็นขนาดนั้นแหละกุศลนีน่เป็นเป็นที่พึ่งกุศลนี่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญกุศลเนี่ยเพราะว่าบทสวดที่เราสวดมาเมื่อกี้บอกว่าอาธรรมย่อมนําไปนรก อัมย่อมนำให้สู่สุคติไม่ว่าไม่ว่าถึงกุศลเลยแสดงว่าบุญนี่นำเราไปสู่สุคติแสดงว่า เ, เราถึงสวรรค์ก็เพราะเรามีบุญเราตกนรกก็เพราะเราประพฤติในส่วนที่เป็นบาปอันนี้เปลี่ยนตัวแต่ว่าเอท่านก็ยังบอกว่าสิ่งที่จัดการกับบาปกับบุญยังมีอยู่คือกุกุศล อุสวนคือสติสัพจัญญะสติสัสพจัญญะมันจะต้องเข้าไปเชื่ดเฉือนถ้ามีส่วนขี้ริว้วเชื่ดเฉือน ก, ก็ตรงกับอาจารย์สุริยาท่านว่าสีขาเขาแปลว่าถลุงนั่นแหละผู้ที่ถลุงหรือเครื่องมือในการถลุงเนี่ยมันจะต้องอาศัยสติสัพจัญญะเดี๋ยวนี้เราว่าเรามีตาเมื่อคืนนี่ก็ถามถึงตาสองสองอย่างตาหนึ่งเห็นแต่รูปธรรม ตาที่สองนี่เห็นนามธรรมก็ถ้าเกัดว่าอาหารกายเนี่ยอาหารกายอาหารกายเนี่ยรูปธรรมมันกินแล้วก็สอดเข้าปากใช่ไหมอาหารกายนี่ถ้าสิ่งไหนสอดเข้าปากนี่เป็นอาหารกายแล้วเราจะพวกอาหารเจอาหารกายยังมีอาหารประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอาหารเจสอดเข้าปากเหมือนกันแต่ว่าอาหารเจนี่ไม่ไม่ได้พูดถึงเนื้อสัตว์ ไม่ได้เกี่ยวถึงอาหารที่ประเภทที่เป็นประเภทเนื้อเป็นทั่วผลเป็นงาปนซีอิ๊วเต้าเจี่ยวพืชผักผลไม้ต่างๆนี่อาหารเจอาหารกายมีสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทเนื้ออประเภทเอไม่กินไม่เกี่ยวกับเนื้อเขาเรียก ว, ว่ากินพวกกินเจอาหารใจก็มีสองประเภทถ้าอาหารใจประเภทที่ยังไม่ได้ทะลุงไม่ผ่านสติสัพยัญญะเขาเรียกว่าอาหารสดสดขาวขาอาหารดิบดิบสุกสแต่ถ้า อาหารใจอาหารน้ำมาทําำมือกันเนี่ยถ้าผ่านเข้ามาแล้วมีสติสัพชัญญะเข้าไปควบคุมผ่านสติสัพชัญญะเข้ามาให้มันสูกสติด้วยให้มันสูกด้วยสติสัพชัญญะก็เป็นอาหารเจของใจอีกเหมือนกันนะเจเนี่ยเราอยากเข้าใจว่ามีเฉพาะทางรูปประธรรมนะเมื่อกี้เนี่ยเ อ, อลวงพ่อก็ก็คิดถึงคําถามที่ท่านถามคือเนี่ย อาหารเนี่ยมันมีกี่ทางหนูหนูลูกหลานก็บอกว่ามีสองทางอาหารกายอาหารใจอาหารกายอาหารใจเขาเขียงคําโค้งว่าอาหารกายมีพลังยั่งชีวิตอาหารจิตมีด้วยช่วยสุขสรรอาหารกายอาหารใจต้องคู่กันสร้างชีวันโลกที่มีราคาร่างกายตัวใหญ่ดังไก่หมูขึ้นตรายชูช่างขายพอมีค่าคนอ้วนใหญ่ไร้ธรรมดราคามาเถิดมากินเถิดท่านอาหารใจเขาชวนกินอาหารใจแต่ว่า ผู้ชวจริงจะรู้จักวิธีประกอบรู้จักวิธีปรุงอาหารใจหรือเปล่าคจริงอาหารใจก็จะได้กินมันมากลําบากนะคนที่กินอาหารใจไม่ไม่ได้ผ่านธรรมานี่มันเป็นอาหารดิบๆมันเป็นอาหารสดๆขาวๆทั้งนั้นมีเลือดมียางมีข่าวคะคุ้งเยิ้มไม่น่ากินเลยอาหารอาหารใจเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นมะเร็งทางวิญญาณทางจิตทางใจมีเมื่อกันนะอย่าเข้าใ จ, ใจว่ามะเร็งทางเนื้อทางหนังทางตัวตนสกุลกาย มะเรงทางวิทยาศก็มีเหมือนกันนะอาหารกายในเมื่อมันติดคอได้มีก้านมีดูที่เราเชี่ยวในละเอียดอ่านาใจมันก็ติดเหมือนกันนะอ่านาใจเวลามันติดคอเราเรียกมันว่าอารมณ์ข้างเนี่ยถ้าเราไม่พอใจกับคําพูดของใครคนหนึ่งเขาด่าว่ามาตั้งแต่วานเนี่ยวันนี้เราก็ยังคิดไอขี้เกียดน้ำหน้ามันอยู่เลยที่เห็นทีไรโกรธทุกทีอนี้ไม่อยากจะพูดกับมันไม่อยากอะไรต่ออะไรในขณะที่จิตใจของเรามันคิดถึงเรื่อง ที่ผ่านมามันตรงไม่ปกมันตรงมันตรงไม่ปกมันยังชุนยังคู่กรุ่นอยู่เนี่ยคนอื่นมาพูดเราไม่มีจิตใจดีงานจะพูดกับเขาเรียกว่าอารมณ์มันข้างพูดกับคนอื่นมาก็ระบายออกไปด้วยความไม่ไปเลาะสนะส่ว น, นอีกเมื่อกันนั่นแหละเรากลักับคนหนึ่งแต่ว่าเราพูดกับคนอื่นอีกด้วยความไม่ไปเลาะมันต่อใจไปหลายๆต่อถ้าถ้าอารมณ์มันข้างอยู่ คือได้รับความเจ็บปวดทางกีดทางใจอยู่มันเป็นอย่างนั้นอาหารใจนี่มันจะต้องมีฟันเคี่ยวเหมือนกันนะอาหารกายนี่มีฟันสองทางข้างบนเป็นแถวหนึ่งข้างล่างแถวหนึ่งสําหรับบดอาหารแต่การสําเร็จในการเคี่ยวเนี่ยมันก็มีเพื่อนนะมันเป็นขบวนการการกินอาหารทางกายเนี่ยการกินอาหารทางกายเราอย่าได้สารเสริญเยินยอว่าฟันของเราแข็งเหลือเกินดีด้วยสามารถบดไอ้นั่นบดไอ้นี่เจ็บประเพรดูประเภทก่างมัน ละเอียดไปหมดแหลกเป็นจุนวิจุนไปหมดเพราะฉะนั้นเรากินของดีๆจะเป็นของแข็งของอะไรนี่มันแหลกไปด้วยฟันเราก็สารเสื่อฟันตามจริงฟันนี่มันก็ไม่เกง่งไม่สามารถจะอะไปตามบทตามขยี้ได้ทุกซอกทุกซอยนะตางจริงเพื่อนยากเขาช่วยเหลือเต็มแรงไอ้กระพุ้งแก้มก้อนหน้าเข้าไปนะอาหารที่มาตัวออกนอกฟันเนี่ยฟัน ตามเขี้ยวไม่ถึงกระพุ่งแจ้มก็บีเข้าไปไอ้ลิ้นก็เขี่ยใส่ดูสิลิ้นก็ทําหน้าที่เขี่ยคอยหาอาสิ่งแปลกปลอมด้วยลิ้นเนี่ยมีอะไรอ่พัดเข้ามาสิ่งแปลกปลอมต่างๆมีปวดบ้างมีขี้มะเลี้งสาบมีขี้หนูมีข้าวที่ไม่กระเทาะเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยมันพัดหัวเข้ามาลิ้นเราสัมผัสเขี่ยไปเห็นเขี่ยไปเจอแล้วก็หยุด ต้อเอาสิ่งแปลปลอมออกดังนั้นถ้าไม่มีริบเป็นเพื่อนในการเที่ยวอาหารเนี่ยในกินในการกินอาหาร เ, เราไม่รู้ว่าจะเที่ยวเอาอะไรตัวอะไรกินกลัวเข้าไปหมดนี่ริบจริงเป็นเสมือนแม่ป้อนอาหารลูกแล้วอาหารทางใจที่เนี่ยใจนี่เราเอาอะไรมาเป็นอาหารใช่ผักปลาหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่วัตถุเพราะว่าใจเป็นน้ำมารม มันจะต้องกินอารมณ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่เราผ่านอิจตนะนี่จะเป็นอาหารใจเขาเาก็ไม่เรียกว่าอาหารใจเลือดแต่ว่าเป็นอาหารผสมตาเห็นหูได้ยินนี่ก็เป็นอาหารเหมือนกันนะหูได้ยินเสียงไปเลาะเขาเรียกว่าผัสสาหารอาหารคือภาษาจะคูสัมผัสโซตสัมผัสคานัสัมผัสชิ้หาสัมผัสเนี่ยเขาเรียกผัสสารเรียกรวมๆน้าอะว่าผัสสาหารนี่ ภาษาหานก็หมายถึงจะขูสัมผัสนั่นแหละเอาตาเข้าไปสัมผัสเห็นสิ่งสวยๆงามๆก็เรียกว่าได้อาหารตาเอาหูสัมผัสเนี่ยเสียงไพเราะเพราะพิ้งก็เรียกว่าได้อาหารหูนี่ได้อาหารหูอาหารอย่างนี้เป็นเรื่องโอชะเป็นเรื่องอริดอร่อยไม่เราก็ไม่ใช้คําว่าหวานมันแต่เรื่องหวานนี่มันเป็นเรื่องของลิ้นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็ม ลดทางหูเ็าเรียกว่าไพเราะไปนะอย่างนัอลทางหูแต่ถ้าทางตาเห็นก็เรียกว่าสวยงาม